ทนอยู่นนี้จะถามคำถามครับกีข่ข้อนะสิบกว่าข้อนะไม่สุราปณว่าก่อนจบไปแล้วสองวัดใช่ไมครับสุราปณว่ากับสบปานกับว่านี่ถานปัญหาจบก็จะได้ขึ้นสอบใม่กวักต่อครับแต่วันนี้ถามก่อนว่กมีอสุราปณวงรมีอยู่ด้วยกันสิบสี่ข้อ ข้อต้นต้น่อหน้าไม่ค่อยยากเพราะว่าวังนี้มันพอยยากครับอาจจะมีคำถามยากบางข้อขนี่น ะ, นน ะ, ระเราแทรกเข้ามานักศึกษาจจะยากครับถามอะไรนะครับข้อแรกถามว่าใครเป็นต้นบัร ญ, ญัตในสุราไปนณาสิกขาบท น, นี่ภาษาสากา น, น้องเล่าเรื่องย่อยดยอดหน่อยไหม <c oughs> ไขไม่ได้ที monte, ่เรายลี้ยงๆก็ให้รู้เรื่องครับเอาสมัยหนึ่งเลยพระเถระนะอ๋อพระเนระอานี้ไม่เลยเราผู้เป็นเราผู้เรียนอะไรยังอ๋อข้าวกระถางเป็นจ้าง ไม่เป็นไรครับที่จึ่งอนนั้นก็มีพญานาคข้าผู้มีฤทธิ์เป็นผู้เป็นแรงที่ฉาคข้าวผูก็พอเข้าไปพักหนึ่งก็ได้เกิดเิตุการปทะนันระหว่างพญานากับพระสัาข้าวระสัก็ใช้เตโชตโตแตนากิโตเยเอเดียวติ กับหมู่บ้านหมูบ้านก็เลยถามว่าต้งการตีใดอะไรถ้าเป็นวัดีก็เลยเสนเรื่องเล่าเล่าสีขาลูกพี่เล่าสีแดงเล่าลูกคี่เล้าก็มีผู้มาสบายทุกบ้านเลยพระมาษจาก็จีนทุกไม่ใช่จีนอะจีนทุกบ้านเลยเราร้อมจิ้งเลยถ้าเข้าไปบิดาบาทใช่ไหม เขาก็เตรียมเล้ามาใี้ทุกครัวเรือน่ไหท่านก็ไปฉันทุกบ้านเลยทีนี้กลับกลับถึงวังนช่ครับนอนอยู่ที่รมที่อยู่หน้าประตูประตูเมืองประตูเมืองครับคุณพเจ้าก็ดปแล้วก็เลยบไปแต่เรื่องนี้มีการบัหมัดูเต้นันใหญ่ใช่ไห สองตีเตียนใช่ไหมครับแล้วก็บตอนหลังนะคตอนนี้ตอนนี้ได้ฌานดิบครับตอนหลังได้มันรู้นะนี่รับนครั้งก็พอได้นะเพราะว่าและก็เราทีงสุ่ฉันเข้ามาต้องอาิบาลข้อนี้หรือไม่ห้อยอะไรจะบอกมาที่มาเห็นผลด้วยนะที่สุขฉันเข้ามาต้องอภิบาข้อนี้หรือไมบ ที่เนี่ยทำไมเวลาโยเขาใส่บาบาเรถึงแยกออกล่ะจิตสิตตฉันก็มาดีตามความเห็นผมและว่อไปใจผมถูต้องเพราะว่าข้อบามันเป็นหองเชื้อของสุรามีอะไรของสุราใช่ไหมมีอะไรใหอ๋อถูกต้องถูกต้องครับนี่นะตั้งแบบไปตีเท่านี้เลยนะครับครับเพราะท่านบอกว่าไอสุราที่ดื่มที่นี้นะ แม้ตั้งแต่ที่ยังเป็นเชื้อตอนแรกนะครับตั้งแต่ที่ไปหมักใหม่ๆเลยนะตอนนั้นเลยครับเมือเ่อไปดื่ก็ต้องอ่บาบัตแล้วเพราะฉะนั้นเข้าหมาเนี่ยมันมันยิ่งกว่านั้นใช่ไหมมันไม่ใช่ใหม่ๆมันมันได้กีค่คืนเดียวใช่ไหมไในกี่วั น, นครับอ๋อคืนเดีวนวครับสามวันนะคืนสามคืนแล้วก็ไปผ่านการหมั้วะทำขั้นตอนแล้วนะก็ถือว่าต้องอ่านบัตรครับ ต่อไปนะปครับแทนว่าที่สูบไม่ได้เป็นบ้านเนี่ยดื่มสุราแต่ไม่ต้องอาบาัตโอ้ปัญหาข้อนี้ถึงแก่ผู้ท่านแล้วครับต้อมามาในที่ปราณีครับแค่ีโดนแล้วหรือเดื่มสราที่คนเจือเขาไปในทางไม่เข้ า, ากาแฟนี้อันนั้นไม่เข้านี่อันนี้เข้าเป็นลังคอเลย ไม่ใช่พาดิยาครับนี่นะธรรมดาผู้ดูชนธรรมดาแหละไม่ได้เป็นบ้านนะครับ<อ>ดื่มสุราเข้าไปแต่ไม่ต้องอาบัตไม่ได้พี่สูบป่วยที่สุบปวยเป็นฉับคือเป็นยายัางไงครับพี่สุบป่วยป่วยมีแนวหนาบัตที่ากพี่สูบปวยดื่มเหล้าไม่มีแน่แน่หน้าบัไม่มีนะครบับผสมข้อนยาใช่ไหมครับ อาผสมในยาดองเล่าเแล้วกันใช่ไหมยานดองใส่เลาเข้าไปขนาดไหนครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีรไม่มีรสใช่ครับไม่มีสีกินลสปลากรดครับผสมเด็กน้อเราก็บอกเลยที่สู่ดื่มยาที่ผสมสุราครับหรือว่าดื่มสุราที่ผสมไปน้ำมันก็ได้นะหรือในยาดองนะครับที่แส่เข้าไปเพียงเล็กน้อยนะครับไม่มีสีกินลสปลากรดนะถูต้องนะครับ ถามว่าข้อต่อไปนะครับที่สุดที่ผู้หญิงเลี้ยวด้วยนมือกับที่ผู้หญิงด้วยนมือต้องบตรอะไรได้บ้างครับที่ผู้หญิงด้วยมือครับต้องทำบาตรเ้ราะมึงมีอะไรว่ามึงมีหลายบามาเน่นอจริงก็ปาสิบปีนะนะมีตัวเอาจําแมให้ชัดเจนที่แบบไหนปาตีครับจีก็ที่ ก็ส่งหัวล่อส่งเกียร์แย่ได้การหัวล่อใช่ไหมใช่จี้งวามร้อนนี้นะไปจี้ไปจี้มันมีอะไรบ้างใช่ไหมบ้างแล้วก็ถ้าเกิดมีความตึงหนักจี้นะจับไม่จี้ตั้งไมจี้ บอกไม้ดีรับเร่อันี้ก่อนนะตอนแรกท่านเจ็บบอกว่าอะไรนะที่เพื่องรสโกันแล้วต้อนอ่านบ่าย้าอินตีไม่ถูกครับยิ่งบอกผิดอีกตีไม่ถูกครับเป็นทุกบททุกบทนะครับเพราะถือว่าแปลเป็นสัมบันนะเป็นสัมบันอูเป็สัมบันนะเอาพ่อนาะทีคที่เจี่ยวนึงนึงที่พาะใช่มต้ แล้วก็มีทายิ่็ไม่ใช่จี้ยืดกวืางคนนั้นแต่ใชคือว่าจับต้องการอยู่ยืกว้างคนนั้นโดนการเลยใช่ไหมก็อันนี้เราจี้โดนการเขาเลยจี้ที่ร่างแรหรือว่าตรงไหนโดนเนื้อเขาเลยใช่ไหมครับแต่ว่ากำหนัดไม่ได้ไปโฉบจี้เล่นให้หัวลอนะแต่ว่ากำหนัดเลยขาขาจี้ต้องการบัตรต้องกเสร็จครับยังมีครายังมี ม, มีความกำนังที่แต่ว่าไม่โดนเนื้อเขาต้องสนใจหรือเปล่าครับใช่ใช่โดนของเม่กายใช่ไหมโดนผ้าแต่ไม่โดนเนื้ครับแต่มีความกำนังเหมือนกันอันนี้ต้องบอกสนใจเนี่ยน่าุูมาสามัวงนะครับถูกต้องนะครับต่อไปน้าถามว่าที่สูบเล่นน้ำลึกแค่ไหน ตาไม่ต่อแบตาสิบตีคือยกที่ลึกที่สุดก็แค่ตาตุ้มนี่คราตุมตาตุมตาตุ้มตาตุ้มคือมายถึงยังไงท่วมใช่ไหมท่วมตาสุดมลึกที่ลอกที่สุดแล้วแค่นี้ <laughs> <ะ>ไม่ใช่ที่สุดแน่เขาบอกว่าลอกขนาดตั้งแต่เนี่ยลงไปตังป้งแต่นีไม่ใช่ลอกที่สุดแค่นี้แหละก่สุดใลยครับ <laughs> เลือกขณาดแค่ว่าขั้วตาุ้มใ่มหกก็เล่นน้ำเลือกขนาดนี้จะทรลงไปนะ ต, ไปไปตั้วแบบไปจริ้และสุดขั้นตัวนี้มีส่วนขาเท่าไรจงบอกมาสมคตาขาไม่ไม่ให้ดีสุดขัเล่นาาน้ามันน่ามีสุดขัานอะไรครับต้อเกี่ยวกับกายกายก็เป็นจิตด้วยครับอะไรนะเนี่ยมีกายแล้วก็กายจิตกายแล้วก็กายจิต กายเฉยๆไม่มีนะครับต้องมีกายจิตกายที่อย่างเดียวขาวขาวถ้าทําไมต้องมีจิตด้วยจิตเป็นยังไงครับจิตจิตจะลงจะเล่จิตประสมจะเล่นจิตผสมจะเล่นแล้วก็เล่นโดยกายใช่ไ้มครับถ้ามันมีจิตประสมจะเล่ไม่เป็นนะเราไปอ่านหน้าเนี่ยเฉยๆมันก็จะได้ไม่เป็นนะครับสมมติฐานเดียวนะครับคือกายกับจิตนะครับ เดินไปทุกกดเลยเล่นเอาหลอดมาหมุนเล่นอย่างเงี้ยต่อไปถามว่าอันนี้แห่ที่บานนะผมจะช่วยกันที่บางให้หมดเลยนี้นะครับเมื่อเราไปเตือนที่สุบางรูปด้วยวินัยบัญญาแต่ท่านไม่เอื้อเฟื้อกลับกล่าวว่ามันเป็นเพียงบัญญาจะไปคิดอะไรมาก มันเพียงบัญญย่านะครับหรือบอกว่าให้รักษาจิตอย่างนี้ก็พอนะครับไม่รักษาอะไรมากเว้ยฟุ้งซ่านลำบากเนี่ยก็มาถามมิจฉเรามาไปนิานตกบเรื่องคือถามผมมากรักษาจิตอย่างนี้ก็พอท่านเนี่ยแล้วเขาพูดอย่างนี้ว่ามัเพียงบัญญย่าหรือว่าให้รักษาจิตอย่างเดียวก็พอนะครับอันนี้เราจะการแก้ชมพูดนั้นอย่างไรครับจงอธิบายมาตามความสามารถของตง เหตุผลนี้เด้เลยครับครับพอเราสิดติดแล้วมีต้อไทครัอไู่่้องทำอะไรต้างอำอะไรต่ออะไรมาหาว่ามันจะไม่ตกกังวลใช่ไหมใช่มันก็เลยนกรรมฐานไม่เจริญใน็จะที่ต่อเรื่องเนี้นะจช่จไม่สกรไม่ฉลาดอะไรก็ว่างไปครับเล่าเรื่องอย่ที่ว่าครับหยุดรงลงในเวล ทำตะไคร้นะนั่นเลยเขาบอกว่านั่นเลเป็นตัวอย่างผมอายุน5ปีรัศษาเนี่ยนี่พอแล้วนะนี่รัศมีขาวแก้ใช่ไงมครับขึ้อย่างนี้นะก็ถ้าถ้ารัศมีแก้วถึงจะเปลี่ยนใครบัญญัติเป็นจริงแต่ว่านี่เป็นคาส่งของพระติจาครับถ้าเกิดมีใครบุ่มก็มีโทษ ไม่โทษเพราะว่าเข้า wow. บัญญาในที่รักษาศาสนาได้มาถึทุกวันนี้ถ้าเกิดไม่ปีบัญญาตัี้มาถึงในตวเรก็ไม่สามารถได้เรียนรู้มาถึทุกวันนี้ได้เพราะเห็นว่านี่คือทางแก้ทางทีนี้เป็นบัญญาแต่ก็เป็นบัญญาของพระพุทธเจ้าในคำสั่งพะุเจ้ามีความหมายมีประโยชน์ใช่ไหมครับนี่นะ้อ้าวใครจะเสนออะไรอย่างนี้เลยทีา การที่ว่าเราไม่เห็นอาบัติในเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นอันตรายระมาคดผุนต้องบอกว่าเป็นอันตรายระบาดผุนทำอันตรายได้ครับซึ่งว่าถ้าเราไม่ยึดในกฎเกณฑ์เนี่ยเท่ากับว่าผู้เจ้าจ้ามีมุกสายด้วยอืมแล้วก็มันมีหลายอย่างในการเสนาผู้เจ้บอกไปแนวนี้เท่านั้นหน้ได้เราก็บอกว่าคือ ถ้าเราไม่เชื่อตามของสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับเราะได้ชื่อมานั่งผีพุทธเจ้าได้ยางไงใช่ไหมเราไม่ศึกษาปฏิบัติตามของพระองค์เราหาเอาเป็นเพียงบางอย่างนะเนี่ยนี่เราเป็นสาวกเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติตามคำสอนใช่ไหมครับอนี้นะไา้ได้เอาไเสอนใครแน่เยิะแลอวก็แล้วแล้วเขาบอกว่าให้รับสารจีอย่างเดียว อันนี้มันเพียมันอยากเราแก่ศาลอะไรใช่เออเนี่ยท่าว่าอ้าถ้าศาลเียนี้ก็พอล้าวดูผ้าอะไรนะ จ, จิตจิตศาอะไรนะที่ในากนารศาลธรรมบนนะุตรนะจ้าเจ้าบอกว่าให้รักษาหนึ่งนะเดียวครับจตะคุณหรือปล่าครับจิตตะคุตต่างหรือาจิตตคุณนะที่ตอนแรกนะถ้ามีอะไรนะอุปชาพระวินยัยพรือเปล่มีอาจารย์เป็นผ้าอะไรนะผ้าชี่อซอพิธามับ พวกบูชาเขาบอกว่านี่มันผิดวินัยนะมันเป็นอนัมบัตไม่ควรทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับพระอาจารย์ที่เป็นพระอาจารท์พิพากษบอกอย่าไปคิดอย่างนี้อย่าไปตื่นอย่างนี้นี่เป็นอคติของนักิตไม่กลัวท่านคนแรโอยเรียอะไรเนี่ยจะรักษาได้ยังไงกันนี่ยโอ้นี่ก็ไมาได้นันก็ม่ไ้คิดก็ไม่ดีนะครับหมดเลยมันก็จะเหยียดแข่งเหยียขาไปไหนไม่ได้เจอแต่อาบัตอะไรที่ไปหมดนะเนี่ยพระาจ้าก็เลยบอกใท่านเนี่ย เนี่ยจะรักษาธรรมชาติอย่างเดียวมั้งเขาบอกว่าอ่านมูเจ้าจะรักษาจิตเลยเนี่ยถ้าเขาอ้านอย่างนี้นะครับอ่านรักษาเนี้ยนี่ก็พอมรรลได้แล้วดูภาพรูปนี้สิมันจะแก้แก้คำนี้ไงครับเคเคดูงเนรี้พูดเอาจากการหยับเรื่อว่าทางตายทางจิตทางมาธเนี้ ที่เห็นได้ก็คือการที่ว่าเรายังทําทางทางกายยังไม่ได้สมาธิก็เป็นอย่างนี้ที่ต้องพูดผมก็บอกว่าอย่างนี้ทำเป็นนั้แล้วก็ถ้าอักบัติเนี่ยเราทําลเล็กน้อยนไม่ได้เนยังอื่นไม่ต้องไปพูดถึงต้องพูดถึงเม่ต้องพูดถึงเนี่ยไม่เจริญหรอกซึ่งหมครับอย่างนั้มันก็เกี่ยวเรื่องแต่ว่านี่เป็นข้อที่ไม่ใช่ดูคนธรรมดาหรอกทีั้นค่ะค่ะ มีการสามารถเป็นยาได้อืมไม่ใช่โอเอืมไหนถามเหรอก็ตอนนี้ถ้าเป็นผมก็จะบอกว่าจะถามอนว่ไอ้ที่คุณรักษาจิตเนี่ยรักษาแบบไหนอืมต้องดูการลเอีก่อก็รักษาแบบว่ามันม่คิดอะไรมาแล้วก็ดูจิตดูใจรักษาจิตเป็นอย่างเดียว ก็จะมาลุ้งละเมิดความบัญญัติอย่างนี้นาใช่ไหมครับหมให้รักษาจิตย่างเดียวก็แน่รักษาจินอย่างเดียวได้ที่กว่าครับถ้ารักษาจิตด้เน่ยจะไม่มีการมาลงละเมิดอย่างนี้หรอครับที่คุณยังุงละเมิดและคุณัรักษาจิตไม่ได้เป็นข้ออ้างนครับบอกรักษาจิตรักษาจิตเห็นรักษาได้เลยถ้ารักษาจินได้เนี่คุณไม่ตกเป็นฆ่ามำนาจกิเลสแล้วก็มาลุ้งมะเมิดความบัญญัตอย่างนี้หรอครับแต่คุณไม่ได้รักษาจิตรักษาจิตผู้น ที่เขอาจารย์ผันที่พูดไล่ตามครับล้าคนนี้ภาษาเขาไม่มาทำนี่หรอกได้ไหมถ้าได้นะก็อธิบายไปแต่ความมีความสามารถครับต่อไปก็หกนะครับอนาธิยาสิกขาบทนะสิกขาเหมือทที่เกี่ยวกับการไม่เอื้อเฟื้อนี่แหละเมื่อผู้อื่นมาเตียนเมื่อพระวินัยบางอย่างนี้ก็คําว่าไม่เอื้อเฟื้อในที่นี้เนี่ยหมายถึงไม่เอื้อเฟื้ออะไรครับไม่เอื้อเฟื้ออะไรบ้าง ไม่เอือเฟือต่อวินัยครับทำทั้งที่รู้อยู่แต่ก็ยังฝืนทําำก็เหมือนกับว่ารู้ว่าฉันคาเย็นจะฆ่าตาติเตีแต่ว่าก็ไม่ไม่ใส่ใจก็ยังฝืนทํานะครับนี่คือการไม่เลือกเพื่อนี่หมายว่าเวลาพูดมาเตือนนะและท่านก็ไม่หยอกก็เื่อเพะไม่เอือเฟือท่านหนาไหนถึไม่เลือเฟืออะไรไม่เอือเฟือต่ออะไรบางไม่เลือกเฟือต่อ สิกขาบทอันนี้อย hmm. ่างหนึ่งนะครับม่เอื้อเฟื้อต่อสิกขาบทบังอย่างข้อนึ่งแล้วมีอะไรอีกอย่างก็อ๋อไม่ใอันนี้ปาอีตีนะอัน้ปอีตีเอาแค่แม่สิกขาบทนี่ก็ไม่เอื้อเฟื้อต่อบุคลนะครับบุคคลคืไม่อ้เฟื้อต่อความเป็นยะ แล้วแม่เอื้อเฟือแต่บุคคลถูกแล้วไม่ได้เอื้อเฟือแต่บุคคลอื่นทางครับใช่คนที่มาเตือนนะครับเนี่ยได้สองอย่างนะแม่เอื้อเฟือแต่คนที่มาเตือนกลับว่าเขานะครับอเหนื่อยนะว่ากลับไปหรือว่าแสดงกิริยาที่เป็นการแม่เอื้อเฟือแต่บุคคลนี่นะครับหรือว่าไม่เอื้อเฟื้อแต่ครอบครัวอย่างนอย่างเช่นบอกว่ามันมีเพียงบางอย่างอย่านี้นะอันนี้ชัดเจนแม่เอื้อเฟื้อแต่ครอบคัวอย่างใช่ไหมแล้วเดี๋ยวว่า ภาักษาจิตยอย่างเดียวน่ะจะไม่เอ้อเฟื้ออะไระน่จะไม่เอ้อเฟื้อพมันอย่างนี้กันรักษาคนเดียวจเป็นโอ้ยถือผูดอะไรหน้าท่านเครียด <c oughs> <c oughs> พวงว่ารักษาคนเดียวพอใช่ไหมพ่ะถ้าไม่เอื้อเฟื้อบุคคลก็จะมีการว่าอะไรก็กลับไปมี ก, กมารแสดงที่ไม่ดีนะครับตอบโต้กลับไปนี่นะ <c oughs> ท่านเป็นใครรู้ผมภาษาอะไรรู <c oughs> ผมรู้นะผมจะทำนะมีปัญหาเนา่ยลักษณะไม่เกิดฟ้นคนเลยครับเนี่ยนะครับทั้งสองอย่างนี้นะก็เป็นอาบัตทำงานข้าวเยอะได้ไหมเนี่ยเขาไม่เกิดฟืันคนใช่ไหมก็ว่างต้องกลับไปนี่นะครับ ไา้ทำได้ ไ, ด <c oughs> ไปบอกก็ไม่เป็นสาอบนลี้เึ็นก็กลับว่าแต่ว่าทอืมครับต่บอไปนะครับคำว่าหลอนพินนสูจ น, น, น์ในสิขาบุตรนั่นคําว่าร้อนพิสูจน์ในสิขาบุตนั้นมีความหมายว่าอย่างไรจงอธิบายมาอย่างมีหลักการห ล, ลอนพิสุทจน์ห ถ, ถือว่าก็รอเล่นทําให้กลัว กลัวเพื่อเพื่อประสงค์แจ้งหัวรอบอะไรเนี้ยกลัวทำยังไงครับมันจะที่ให้เขากลัวทำเป็นนาผีอย่างเงี้ยแลบิงปิตาอ๋อครับนี่ะนะิงิง ต, <c oughs> ตก็ให้กลัว อ, อาจจะหลุ่มซ้ำพุ่มไม้อะไรสักแห่งเนี้ยแล้วออกมาจายเนี้น่เนี่ยฮะหลอนสงจะให้กลัวให้กลัวแล้วก็เพ่แ้ว แสดงอาการทำหน้าสีอย่างเดียวมีอย่าอื่นไม่หรอกมีอย่อื่นไหมผู้อธิบายเป็นหลักการวก็คุมันเลยแต่ดิฉันผมเคยประสบการณ์ถ้ามันอยู่ที่ได้อยู่ที่ไรแล้วก็อยู่คนเดียวคุยมากกลัวไม่กลัวไม่กลัวผมก็ไปนั่งข้างนั่งไรมันเบื่อคนเดียวผมาะถราแล้วมาผมก็เห ความที่น้ากลัวที่จะให้เขากลัวใช่ครับแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมีหนเนี่ยอ๋อครัเล่าเรื่องให้เขากลัวล่าเรื่้ากลัวนะครับนีรติต้องนะครับคุงเลยล่าเรื่องให้เขากลัวก็ได้เราไม่ได้ไปแงแสดงแองอด้วยลูกด้วยสีด้วยกลิ่นใช่ไมแต่เล่าเรื่องผีปัเจน้าจะให้กลัวนะ เรื่องผีเรื่องโจนะครับหรือว่ามีสัตวร้ในพวกนี้นะเราค่อยๆกลัวนะครับอันนี้นะครับก็ได้ขนาดนนะไอ้คำว่าหลอในที่นี้นะครับมีอย่นี้แล้วสิทธาบทนี้มีสมุทฐานเท่าไหร่จงบอกมาครับก่อที่เราจะดูสมุทฐานเท่าไหร่เราดูว่ามันมีจิตหรือเปล่านี้ก่อนนะเราได้จําหลักแราจะ กายวาจาจิตครับอืมเด็กอายขุมนีาไงครับคือมีกายจิตวาจาจิตวาจาจิตถูกต้องนะครับมันต้องมีจิตแน่นอนเพราะจิตประสงค์จะหลอนใช่ไหมหลวงเจ้าค่ะกลัวหลอนแล้วก็หลอนด้วยกายก็ได้ด้วยวาจาก็ได้หรือทั้งกายและวาจานะครับนี่ถ้าบุษรามีสมุทฐานท่าไหร่เนี่ยเราไปถามว่ามันมีจิตนึกเปล่าก่อน ตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ข้อมันสมคอนะตัวสีขางบสถ์จะเป็นตัวบอกเราใช่ไหมครับว่าข้อเนี้มันจะมีจิตหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ได้มีจิตที่จะหลอนนี่นะก็ไปทำงั้นเราก็ข้ากลั ว, วามาเองนะ้ะมันก็ไม่เกี่ยวนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องอ่านบันนะนะครับแกเราไปจุดทูบอะไรเนี่ยแล้วกินลอยช่วยคือเขาไม่กินอะไรนะเฮ้ยตัวขึ้นมายิ่งเน่ยเขาไม่จิตขึ้นมาเม่มีความประสงค์สนะคต้องมีจิตท่านั้นนะ ต้องนะครับอันต่อไปข้อที่แปดนะครับจงอธิบายโชติสิขาบทมาและพิสูจจะต้องอาบัตเมื่อไหร่ในสิขาบทนั่ น, น <c oughs> จำได้ไหมครับโชติสิขาบทเกี่ยวกั อ, อะไรโ <c oughs> ชติก็ว่าไฟนะครับอย่างการถิมไฟอะครับลองอธิบายมาครับเป็นยังไงพิสูจสิขาบนี้ว่ายังไงเป็นยังไงต้องอาบัตเมื่อไหร่ ที่สูงคืออย่างนี้ครับที่สูงไม่เป็นไข้ครับที่สูงไม่ได้เป็นไข้ครับถูกต้องครับถูกต้องแล้วไปก่อไฟเพื่อก่อไฟผิงอย่างไงเพื่อฝากมีอางการเป็นต้นใช่ไหมก็หนาวอย่างนี้นะก่อไฟผิงครับคือเริ่มสมบัติตาจิตตีจนี้เอ้าใช้เขาเกาะเป็นไหมครับมันใช้เขาเกาะเป็นไหมก็เป็นเป็นก่อเองก็ดีใช้เกาะก็ดีเพื่อจะ เพื่อจะผนเพื่อจะผีครับวิ่ต้งมาแล้วอรับต้งมาแล้แต่เมื่อไหนครับก็ตั้งแต่เริ่มหาปุ่งหาฟืนมากรครับปืนมาตั้งเก็ก็จุดไฟก็เดี๋ยก่อนเดี๋ยวกันนนะมันต้องตั้งมาตอนไหนตอนเดิไปหาปืนนู่นแหละตั้งเลยเลยครับอ่านกขนาดนั้นเลยนะก็อติมจุดไฟอืมจุดจุดจดไฟสีไฟ เหมืยนพราะว่าตัวนี้เราอาืมาตั้งแล้วนะพืนตั้งมาแล้วนะครับวันนี้ต้องอะไรก่อนไปีไปตีนะครับเอาพืนมาก่อตั้งเล้เนี่ยไปจิตีเลยไอกดไมครับอาเป็นยังไงขั้นตอนก็ไปหาืนมาตอนที่เรามาตั้งพืนแล้วก็จะมาสีมาอหไเนี่ยแล้วก็ตอนที่ถ้าเป็นสีตอนที่เบลไฟเนี่ยตอนแรกเป็นอะไรก่อน ตั้อะไรครับตัมแบบทุกกลนะครับตอนที่เอามารวมกันใช่ไหมหรือว่าสีไปใช่ครับตั้มทุกกดก่อนเป็นไปีเมื่อไหร่นะตอนไฟติดเมื่อไฟติดนะครับลูกขึ้นแล้วใช่ไครับตั้มแบบไปตีถูกต้องนะครับนี่อทีิสิคาผมเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นไข้ด้วยนะถ้าเป็นไข้เป็นไข้แบบไหนครับเดนเดนเอ คนที่เป็นไข้เดินไปปีโลไม่ถึงตึงยไม่ได้ออจะเอาออาเป็นไข่ยอย่างนี้นะใช่ไหไไม่ถึงถึงอาใช่ไหมครับอาใครมีความคิดเห็นอื่ออออา น, นางนาเอาเป็นไข้ที่นี้หมามนะ่อย่างเป็นไข้ขนาดไหนแค่ไหนโรคอะไรหรือว่ายังไงยอดเป็นไข้ในสุ ข, ขาบดหรื ว่าต้องใช้ถิ่ไฟใช่ไม้มถึงจะดีที่มันจะหายานี่นะครับไหนนี่เป็นไข้อย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นไข้อย่างผมเป็นไข้ตัวร้อนนะเนี่ยนี่มันถิ่นป่ะไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้นครับอันนี้เป็นไข้หมาว่าต้องถิ่นไฟต้องใช้ไฟอย่างนี้นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ถามว่าในมัชชิมะประเทศเนนะี่ยสิห้าวันอ่านาน้ำได้ผลหนึ่งใช่ไหมครับ น้าตั้งแต่วันไหนคืนไหนครับคือว่าสิบห้าวันอนนะ้นหัวหนึ่งเนี่ยน้าตั้งแต่วันไหนครับน้ำตั้งแต่วันที่อ่านน้ําเสร็จวันอ่านน้ํายังครับหรือว่าต้องไปน้าพรุ่งนี้ครัือว่าผมอ่านนี้อันนี้ยังไม่น้าหนึ่งใช่ไหมน้ำพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้าไปถึงกี่วันครับกี่สิบห้าวันใช่ไมได้รู้สึกบ่อยอย่างนี้มีความเห็นอาน่ามไหยครับ ก็อดนบาววิธีนั่นั่งยังไงนับไปวันนี้ครับสันเจบอกนั่งแต่วันนี้เลยคือวันคือมาที่อนใช่หมครับนับไปหนึ่งหน้าหน้าวันนี้นะครับแล้วก็นับไปถึงสิบห้าวันนะครับนีชให้ถูกตอที่ิสู์กับสันเจใทยถูกพี่ิสู์ถูกช่างบอกนี้ไอ้ไทยถูก ปหาที่จถึงเราให้ถูกผมอน้ำแตกมาหนาเลยออน้ำแตกนอกนืมครั บ, อบอทีผมไม่ได้ผมมตรงนนะน้แต่วันนี้เลยวันที่อ่านเลยนะนั่เป็นหนึ่งแล้วนะครับนแตกมื่อ่านเลยแล้วก็น้ำแตถึงสิบห้าบังนะครับเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะคะรับและโจบอกสมัยที่สามารถอาบน้ำได้มาบ <c oughs> สามารถอนนังได้ก่อนสิบห้าวันมีสมัยอะไรบ้างในสิกสามบทนั้นในทางกายก็ถูกต้องครับไม่มีไปทางเรือนะท่านี้ทำการงานนะทาการงานแล้วทำการงานจะกวาดขี้นะกวาขยอะไรเนี่ยข้าวข้าวปลาททานได้ อะไรนะฝนเยิลงมาอ๋อฝนฝนตกเยิ่นนะอ๋อมีขุนมาใช่ไหมเขาเรียกาอะไรนะก็ฝนตกเยิ่นขุนใช่ไหมครับฝนแน่ีลมเจือนุุนมานะครับอย่างงี้นะอะไรครับเป็นไข้ครับต้องครับแล้รอนแ ครับแล้วก็ที่อ้าวอ อ, อาถูกต้องนะครับสมัยที่ร้อสมัยที่อกอ้าวใช่ไหมคุณหาดสมัยโยปิลละหัดสมโยที่ลนะสมัยโยสมัยเป็นไข้นะครับแล้วก็สมัยเดินทางไกลใช่มทำการงานผลเจือทุดีนะครับถูกต้องนะครับข้าวปั้นนะครถต้องนะครับต่อไปอันนี้นำมาใส่ในคอมพิคาถามต่อไปนี้นะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ ต่อไปผมว่าเอาความจริงนะเสถ่ามูลจะน่าปัญหาบาดฐานสองข้อนะวันนี้แต่ข้อนี้ยังไม่ใช่ข้อสิบนี้ยังไม่ใช่นครับเดีียฐานว่าครับการทำผินทุผ้าอันนี้ทำเทั่อประโยชน์อะไรครับนี่นะครับทําให้มันเสียสีแล้วก็อะไรครับทาให้เสียสีแล้วก็ให้จำนาว่าเป็น มีเจพื่อเป็นเครื่องหมายจดจำใช่ไหมครับเพื่อเป็นเครื่องหมายจดจำถูกต้องนะครับถ้าที่ขนาดไหนครับถึงต้องทำพินทุกนะพอโนูงพอน้งมได้ถูต้องนะครับแล้วก็จุดที่จะทำพินทุกนะเอาใหญ่แค่ไหนครับตามรุดยุมไม่ก่อนครับ ถ้าดวงตาอยู่แล้วก็ท่านก็บอกาแวแวตาอยู่แล้วก็หรือว่าพิสูจน์านบนหลังช้างนะครับอขนาดไหครับเท่ากับมือะไรหลังเล็หลังเล็บหลังเล็บนี้ก้อยเมื่อไม่ยอมคำพิมพ์ผู้ผ่านนะครับพิสูจน์จะต้องอาบัตเมื่อไหร่นะครับสิ่งสคัญงนี้เมื่อชันใช่ไหครับเมื่อนุ่มผมคเมื่อมานุ่มผมเราถูกต้องนะครับ สีอะไรบ้างที่ใช้ทาพินทูได้ก็เอาสีตดำสนิทสีดครับสีน้ําเล่นได้ําเงินมีหรือเปล่าคับน้ํเงิไม่มีนะครับสีดำสีาเหรือเขียวใบไม้ครับสีเปิดตรงสีเปิดตรงสีดำไน้ได้ครับมีสีเขียวใช่ไหมเขียวใบไม้หรือว่าเขียวสําลีก็ได้นะครับ สีเปลือกต้มแล้วก็สีดำสามสีครับน้ําเงินไม่มีนะครับประกันเงินหรือแม้จริงเงินทํานี้ไม่ได้นะไม่ไม่เข้าต่อไปเนี่ยขึ้นมาเสถ่ามมจนาปัญหา้นต้องถามว่าที่สุบริพภคจีวรที่อธิฐานแล้วริฐานเรียบร้อยเขาไม่ใช่หรือเด็กจีวรแน่นอนอธิฐานแล้วยอมด้วยน้ํายอมแล้วยอมดังน้ํายอมน้สีต้องครับ แม้กับปะให้ทํำพินทุแล้วนะครับแม้กับปะก็ทำแล้วยังต้องอาบัตินะครับนี่นะปัญหาข้อนี้ท่านผูฉ้ฉนะทั้งหลายคิดกันอะไรนครับเ <whirl wind S 1> <ๆ>วลามานุ่งผมก็ยังต้องอาบัตนัเนี่ยเราก็อธิษฐานเรียบร้อยมันไม่เห็นว่าเป็นนริรเลห์ใช่ไหมอธิษฐานเรียบร้อยแล้วย้อนวันเรียบร้อยทำพินทุเสร็จแล้วนะครับพอมาใช้ ย, ยังต้องอาบัตินะครับมนานุ่งผมยังต้องอาบัต น, นะปะัญหาคนนี้ท่านผู้ฉนะทั้งหลายคิดกันอะ้ร เกี่ยวกับไม่ได้พิจารณาเรงน้โอ้โหมีอาบัตุป่ะอันนั้นไม่ด้ยาเพื่อนครับมันเ้ที่ไม่ได้พิจารณาปัจจัยสีและต้องบำร่งยาต้องอาบัตไม่ใช่ไปตีนะให้ทุกกาะเราทุกกายอมแล้วเปลี่ยนเป็นสีไม่ใี่สีถูกต้องทุกอย่างครับสียังดีมากใช้ได้อะับ <c oughs> จีวรนี่ไม่ใช่อะจีวรนี่ฐานนี่ร้อยอะฐานนีบร้อยนะย้อนไปเี ย, ย, ยเ้ย้อนถูกถูกต้องทำทิ้งทู้แล้วเูอถูกต้องเลยะะขนาดจีวรจะได้ผไหใช่ได้ได้ทุกอย่างขนาดก็ได้ครับสงสัยเรื่องกลับเอาทิ้งทู้่านไม่สงสัยนะครับร ม, ม, ม, มั่นใจเลยทำแล้วแน่นอน <c oughs> ขนานได้ขนาดก็ได้เป็นกรณีของหลวงพ่ว่าเมื่อกี้มันก็ถูกนะที่ว่าสงสัยเนี่ยทํามีที่เราสงสัยไม่ได้ทำใช่ไหมครับแล้วก็ไปนุ่มผมต้ัมทุกคนแต่ว่าในค้อนี้มันเด็ดเลยอีกอย่างหครับแต่ที่ตอบที่ก็ถูกนะก็ถูกมกันนะครับไม่ใช่่าไม่ถูกครับแต่ว่ามีแบบน่ง เหมือนกันในวัตถุกดเอาสีใสสีที่ทำมิจฉุกเฉินสีด้วยอ๋อสูงสีนะสูงสีนะถ้าสีไม่ได้หรือว่าขนาดไม่ได้นั้นมันจะต้องไปอยกดตีใช่ไหมครับแต่นี้ถ้าเราสงสัยว่าสาคัญผิดเนี่ยเราจะต้องทุกดใช่ไหมครับอาเป็นโลหะไม่ได้เปรีบมรหรือเปล่าอ๋อได้ครับนี่นังกรด้วยความจริงมันต้องไปไปเกี่ยวกับเรื่องนิสสุคีด้วยนะท่านปุงเขียนนิสสุคีด้วยครับ ปัสกาีเล ย, ยจากอาีนะครับได้หล่ะที่ถาเป็นไตใช่ไหมถ้าอยู่ปัสกาอาตีนะครับถ้าอธิบายว่าคือันเป็นจีวิที่ต้องสัคีนะครับพิสูจน์ยังไม่ได้สนาอะไรเอามานุ่งหมเอามาใส้สอยนะครับนั่นต้องอาบัตทุกบอย่างนี้นะต้อมาทำนี้แต่ที่สเมื่อกี้เขาใช้ได้นะหรือว่าต้องอาบัอีกนะทำกรป๋าแล้วสงสัย หรือว่าสงสัยไม่ได้ทำใช่ไหมตอนนี้นุ่มผมก็ยังต้องคิกดนะครับทำวิญญาณทำวิญญี่นะครัสงสัยแต่ก็ยังไปใช่ใช่ไหมยังไม่ต้อมไปห่มนะครับอันนี้สงสัยวใช้สีน้เงินหรอปไม่ทำยงให้ดีนะนุ่มห่มเเราจะเอานี่ก็ได้ต่อนะครับหรือว่าอย่างที่ถ้าอธิบาีก็คือ เป็นจีวรที่ต้องนิสสกีครัยังไม่ได้สนาาขึ้นมาใช้สอนนะมันก็อยู่ที่นิสสกีแสดงว่าถ้าหน่าจะายที่ฐานเป็นไตใช่ไห ม, มแล้วกดเป็นนิสสกีนะท่านต้องไปนิสสกีไปกปี่ครไปแล้วใช่ไหมครับ<ม>จีวรนั้นต้องต้องไปศนาาทําวินัยกรรมใช่ไหมแต่ถ้ายังไม่ได้ไปทําวินยัยกรรมยก็มาใช้สอนนะอันนี้ก็ต้องอามบัดไปกดเลยครถ้าเขายัางยังไม่ได้คือใค่นี้มาทำเล่นเนี่ยต้องไหนต้อง เวลาเราไปทำวินัยกรรมก็ต้องคืนให้เลยครับคต้องคืนให้เลยแต่นี่รายยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วก็ยังมาใช้เมื่อยหรือเดิมเพียงแต่ในกรณีที่มีาามการเอาไว้แล้วก็ยังไม่อ๋อทำคืนอันนีกข้อหนึ่งครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่แทงนะพอเราไปสนามเขาก็จะคืนค่าให้นะครับต่อไปนะครับนี่เสียท่ามูจะน่ปะนาปัญหาอีกข้อหนึ่งคนนี้ผมไม่อยากแล้วนะ ถามว่าถ้าที่ไม่ได้ทํากับปัดหรือไม่ได้ทำพินทุนะครับและไม่ได้ยอมในน้ําย้อมไม่ได้ย้อมด้วยพิสูจปรารถนาพึงแสวงหามานุ่งและเธอไม่ต้องอาบนะครับก็ทําอันนั้นพระสุคอทรงแสดงแล้วปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชนะท่าไหนคิดอันะครับถูกชิงจีวอนไปถูงชิงจีวอนไปนะถูกต้องนะอะไรก็ได้นะไปคว้ามันก่อน พ้าของาถุงก็ได้ใช่ไหมวีญญาณถูกจรชิงไปหมดนะตัวร่อนจ้องนี่เะครับเจอผ้าอะไรคว้ามันก่อนนะไปเกี่ยวบ่อยๆแล้วว่าไม่กันงใส่ตะมันต้องถือว่าขอยืมก็ก่อนนะใช่นั่นครับ ต่อไปเลยปะข้อต่อไปเนี่ยอ๋อนี่ต่อที่บายเท้าหน่อยนะจองที่บายขั้นตอนการวิกัพภาพนะครับทั้งต่อหน้าและก็รับหลังนะว่ามีขั้นตอนเนี้นะพอมีการอธิบายอะวิกัพต่อหน้าก็มีแบบลรับหลังก็มีใช่ไหมครับเนี่ยให้อธิบายนะครับเอาวิกัพต่อหน้าคก็ว่าภาษาไทยก็ได้ครับจำภาษาบาลี้ ขั้นตอนแต่แรกทำไงอะใช่ว่าถ้าเราต้องการกับผ้าก็ผืนเราจะทำในตอนไหนถ้าทำในตอนครับส้าทำนี่้าทำนี่้าลูกใดลูกหนึ่งก็ได้แล้วทำอะไรอีกาีกอีกอันไห อ๋าสัมกลับไม่ไน้ใครจาได้ไหมครับภาษาไทยก็นานนะครับผมขอวิกับผ่านี้ให้แกท่านเนี่ยครับเนี่ยผมขอวิกัพจีวรเนี่ยผ้านี้ใช่ไหมครับให้แกท่านนะครับหรือว่าแกท่านภาษาบาลีจำได้ไหมในผ้านี้เนี่ยอยู่ในทบะผ้าพื้นดินในทบาใครจำได้ไหครับผ้าพื้นดิน่นทบะใช้คาว่าอย่างไง อ๋อแล้นืกนึมาใช้สัพนะตัวไหนจีอิมังอีมังอะไรอิมังจีวารังอมังชีวรังวิกัพตัวหางตัวางวิกัพไปนี่ครถูกต้องครับอีมังจีวรังตัวหางวิกัพไปนี่ครับเไปหาค่าหรือว่าเนื้อศสนี่อลไไม่ก็ได้แค่เก็ีปยนคำวิกัพไปต่อหน้าใช่มครับหน้าครับต้องครับ แล้วมีการล็หลังเป็นกรล็อบหลังแล้วก็ถืถือ้าดนเลยแล้วไปหาพิสูจเหมือนกันคือพิสูนรูปใดรูปหน่นะแต่ว่ามื่อไหร่ให้พิสูนรูปที่เราไปหาบอดชีวีรูปอื่นผมวกลพาดูให้แกท่านท่านสลาวุท่านสาุไม่รูอยู่ไหนอาคุยันเจก็มาหาผมใช่ไหมทันเจก็มาหาผมแต่ถงวาบอกวิกลว่ามีการให้แกข้อสลาว ยังไม่ใช่ครับไม่อย่าี้เรถือว่าเป็นการมีกับต่อหน้าอะไรแบบอันนี้เป็นการกับต่อหน้าอยู่นะครับต่อหน้าอย่งที่สองนะยังไม่สูดนะครับมีร่ำลงอีกแบบน้าอยู่โน่นอ๋อแล้วอาจจะผ้าไม่ได้อยู่กับตัวโ อ, อ, อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับถึงผ่านไม่ได้อยู่กับตัวแล้วก็ต่อหน้าได้แล้วก็ใช้เอตานใช่ไหมเอตานี A ่ไปครับอันนั้นเป็นเรื่องนา แต่เนี่ยต้องมีขั้นตอนแบบหนึ่งครับถ้านลำหลังมีการพูดการอะไรนที่ต่างไปไค<ม>รับก็จำได้ว่า <c oughs> ถ้าเราไปดูบานฑ์ควรมาซะเหมือนอาจจะเพราะ่นที่เราไปที่ด้วยมันจะตอบหจะถามว่ตอนแรกไปตอนแรกเราพูดว่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> พระเจ้าอห้มาทำยังไงนะเอาเอาเอาเอาคําต่าความต่างก่อนจะต่างกับวิศว์ต่อหน้าอย่างไงครับอันนี้นะหนึ่งอันนี้ก็ได้มีกว์น่มหลังนิ่งต่างกับวิศว์ต่อหน้าอย่างเงยถ้าจำคําไม่นา้ส็แบบเอามาต่างกันยังท่านคปทำใจามใจว่าภาพอยู่เนี่ยที่อยู่เงื่อแต่เนี้เราไม่ได้อยู่เนยยังยังไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยเป็นอยู่ระีับที่ก็ไม่ได้ าอะไรแต่ตั้งใจว่าภาพีมีกำิึนยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่เา้ยต่างกันว่าวิกลต่หน้านี้คนที่เราไปวิกับด้วยพอแค่เราพูดก็เสร็จแล้แต่ถ้าเราวิกลเราางนีคนที่เราไปวกเพื่อขอาว่าต้องวิกบให้กับใครท้เราก็มาอีก ก็ e: ใช่นะครับกป็ความาตอยานุน แ, แต่แต่ยังมียังมีเยอะกว่านี้ขาการข่าครับชืออย่านี้ครับเขาไปในไอ์สระมีทั้งข้าวนะครับก็สามแดงซื้็ได้สามแดงก็ได้อ๋อครับแต่ว่าเราบอกว่าจะปกลับให้พิเสธรูกเออบอกช่อพิเสธรูกอืเยังไงก็ได้ก็ที่มันจะเข้ามหาผมเนี่ยจะจะว่ายังไงดีทีนี้ข้าวของเนี่ย ปันเตบอกว่าปันเตขอวิกับผ้านี้แก่พิสุรุนั้นรูปนี้มันก็ข้าร่องเดิมหนตอนแรกวิกาาัต่อห น, น้าก็จเข้าหาดูซ้ำๆมันหน้าทั้งหมดและเขาหาข้าเข้าหาในนั่นเหมือนกันครับเหมือนกันอากาศที่มีลับไหมเออถืาาอผ้าไปให้ค น, นที่เราจะีกลับก็มีว่าข้าเจ้าขอมีกัพแก่พิสุผู้อยู่ทางทิศโนนครับโอไม่ใช่ไมช่ เออเคพดีนนน้มม่่ดเเีี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้ต้องจําได้แม่นเลยนะตอนนี้ตอเนี้ผมเขียนอันนี้นะเขียนหัวข้อถ้ามีในมาคือในกระดาษเราเรียนผ่านมาครับตั้งแต่เล่มแรกเลยนะที่เป็นหัวข้อต่างๆครับผมเขี้รวบรวมมนเสร็จแล้วนะหมดเลยเดี๋ยวจะตัวนดูอีกทีนะครับอั่างเช่นว่าอะไรนะอ่า นี่มิสีมาในกียาอะไรนี่นะครับนั่เป็นอ่าคราวถามไม่ได้ถามนะเป็นหัวข้อม่ให้เลยแล้วก็ให้หึกษาือไปดูให้ดีก่อนแล้วผมก็จะถามครับแต่เราเห็นข้อจำของพ่อเป็นคนถาเป็นข้อสอบที่ให้โอกาสให้ไปดูก่อนไลยเต็มที่พราะไม่เยอะมากนะครตั้งแต่หัวข้อในมิทารในปาราชีสในในหนังสือคีย์อันนี้โย่ไปตีร่างกันเรื่อยๆจนจบเลย ก็มีเยอะนีครับอย่างเนถ่ายเอกสารนะแต่เตรวจก่อนอีกครั้งหนงอย่างเช่ว่านะไรนะสีมาวิบัติมีดียาเขียนให้หมดนะแล้วก็ว่าถูกที่ทำให้ตัวความแตกแยกทางมีดียาองค์การศึกมีดียานี่ <c oughs> นี้ก็มีครับในตอนนัโพชนะให้อะไรบ้างกับประแยกกุฏีเท่าไหร่เนี่ยที่เป็นหัวข้อของข้ อ, ข อ, ข อ, ขอขต่าง น, นะก็รู้ไม่ให้หมดเลยนะครับนั่นแหละเราจะได้ ไม่ได um ้ต้องพรวงเลยนตรงนั้นใข้ขอครับอ๋อครับอ๋อซุนมขาเลยมีครับซุ่ขามีเท่าไหร่แล้วก็ถามนครับอืนะอ๋อหเฉลยนะครับอย่างนี้นะวิกลับล่ามหลังเนี่ยนะครับวิกลับล่าหลังหมเพราะว่าเราไม่ได้มีกลับกับรุ่นันหือเราเข้าไปหารูปนั้นแต่เราบอกว่าขอให้รนั้นช่วยวิกลับให้เรา ถ้าเขาช่วยวีกลับให้ถ้ามีกลับต่อหน้าเนี่ยเรามีกลับเองเราเข้าไปหาเขาวิกลับกับเขาเองหรือว่าอ้างชื่อข้ารอื่นก็แล้วแต่แต่เราเปคงมีกลับเองวิกลับไปนี่นะพระพุทเจ้าขอมีกลับเองแต่มีกลับล่างหลังนะครับเรามไม่ได้มีกลับเองแต่เราให้คนนั้นช่วยวิกลับให้แล้วบอกว่าเนี่ยผมขอให้ผ้านี้แก่ท่านเพื่อไปอยู่แก่การวิกลับเนี่ยก็คือให้ท่านช่วยมีกลับให้นะครับแล้วเราจะถามเรากลับมาใช่ไหม ทายว่าอย่างไงนะทางมองว่าอย่างไงเหรอคุณจะวิกลับตัวที่แก่ทายมีอะ <laughs> รเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายของท่านใช่ไหมครับทายเป็นเพื่อนเป็นสหายของท่านนะข้าจะถามออกมาณนี้แล้วก็บอกไปชื่อทางติโซพี่ขู่ติาสมเนรีนะว่าไปนะครับคุนีแหละแล้วทีนี้เขาก็จะวิกลับให้เหราเลาเขาวิกลับเขาจะไม่พูดว่ากลับเป็นมิตรใช่ไ ให พ, พูดแต่ ว, ว่าอะไรนะอิข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ที่สุรุ่มนั้นสำเนีรุ่มนั้นเพราะว่าไปนะครับอิมังจีวรังติจัสะทิคุณโทอทามิเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็จบ <c oughs> ทีนี้นะครับเวลาพ่กลับแล้วเนี่ยผ <c oughs> ้านั้นเราสามารถใช้ได้หรือยังครับเําไปทีพกลบวินัยกรรมี่กลับเน้วยัง <c oughs> ใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ทำอะไรได้ได้ครับตอนนั้นผ้าืนนั้น <c oughs> ทำอะไรได้บ้างครับอธิษฐานได้ไหมให้คนอื่นไม่ได้หรือยังยัยังอะไรใช่ไทําอะไรได้บ้างครับอวิสาสองผมคือาผมนันนั้นได้แต่นี่คไม่ใช่ถือวิสาสะแค่ราบวิกับเนียทาอะไรได้บ้างครับก็คนอื่นคนใชเก็บไม่ได้เฉยใช่ไหอาเก็บไม่ได้เฉยยังไปทำอะไรไม่ได้นะ หรือไม่ได <feed> ้เฉยที่เมื่อเขาถอยให้เราแล้นะครับเราก็สามารถเอามาใช้ดึงผมหรือว่าให้คนอื่นใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปสลากอะไรก็แล้วแต่แต้อธิฐานก็ได้น่าครับพราะยังบอกว่าเขาบอกว่าวิกัปต่อหน้ากับวิกัปรอบหลังมันแตกแค่นี้วิกัปต่อหน้าเราเป็นคนไปวิกัปกับเขาเองนะครับแล้วเขาก็เป็นคนถอยวิกัปให้เราคเองนะ วิกัลล่อหลังนะครับแล้วให้ทขาช่วยความช่วยวิกัลให้และคนนั้นแหลกขอนให้เราคือคนอื่นวิกัลให้เราด้วยคนอื่นนั่นแหละขอนให้เราด้วยถ้าต่อหน้าเราวิกัลเข้าถอนล่ามหลังเข้าเข้าวิกัลเข้าถอนนะเนี่ยต่างกันอย่างนี้นะจำไหมไม่ให้แม่นเลยนะนะคะจะอธิบายวิกัลปัญหาสิทธาบทมา ตอนที่มาสิกขาบุนี้มาเครับวี่งกับนณะสิกขาบุตรเป็นยังไงที่จะต้องมาสาบรนีหะเกี่ยวกับกามวิกลับนะที่ตลอาเนี่ยสองหไหขาบนี้ว่กับคณะสิกขาบุตรเกี่ยวกับวิ่งกลับ ก็ทิ้งบายไปสดขาบุตก็ได้เป็นยังไงก็อาไปเกับแล้วอาผาไม่กลับแล้วแล้วก็เอามาใช้เลยโดยที่ไม่้อโยที่เาม่ไของน่เลยก็มาใช้นครับต้องอาบไปตีนครัอันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้แต่เราไปอธิษฐานนี่ต้องทนอะไรก็กดชุกกดนะครับหรือว่าไปให้สวายคนอื่ไปเสียอันนี้ก็ ผู้กดเหมือนกันครับวันที่ท อ, อื่ก็จะกดครับในกรณีที่เขายังไม่ได้ถอนนะที่เป็นไปตีพ่อเอามาใช้นะครับอแต่ว่าถ้าเราถือวิาสาสะมาก็ได้นะครับเราให้เขาถอในให้ก็ดีหรือว่าถือวิาสาสะมาใช้ก็ดีอันนี้ได้แต่นี่เขายังไม่ได้ถอนเลยเราไม่ได้ถือวิาสาสะเข้าด้วยแล้วก็มาใช้ต้องไปงตีนะครับต่อไปนะครับแรกสุดค่ะบทนี้เป็นกิริยากิริยา ท่านออย่างนี้นะคือเป็นกิริยาแล้วก็อกิริยามีคำพิบายนันอย่างไรครับกิริยาการกิริยาต้องเพราะทาและไม่ทำต้องเทําทอะไรครับทีต้็งเพราะทำต้อวิกัตทำอะไรครับวิกัตต้องเพราะทำอะไรครับเตื้อต่ต้องเพราะทำ ต้องพ่อการใช้สอยใช่ไหมครับ <grateful> ต <nice> ้องประการใช้สอยถ้าพ่อไม่ทํายังไงไม่ทำวิกัมไม่ทำอันนี้เราวิกลับแล้วเนี่ยไม่วิกับแล้วไม่ทำไม่ทำการขอนไม่ทําการขอไม่บอกให้เขาถอนให้ใช่ไหมครับไม่บอกให้เขาช่วยถอนให้นะอืมครับมันก็เลยเป็นกิริยาเพราะว่าไปใช้สอยเป็นกิริยาพ่อไม่บอกให้เขาช่วยถอนให้อืมครับจะอธิบายมานะ มีสมุทรฐาเหมือนกับปถมสิกขาบนะครับอ้าวเป็นยังไงสมุทรานปถมปฐมประทินนะคะะะนระับปถมประทินสิกขาบดประินข้อแรกนะสมุทรานเป็นเนื้อหน้าเย่าไหร่เยอะไปเยอะไปปฐมประทินเนี่ยหลายข้นะให้มันหายเนื้อไปเลยสองครับ ม่มีจิตครับละเราไมกถึงครับลองนมถึงกาวาจาข้นะอ่ากาวาจาข้องนะครับแล้วก็กายไม่ได้กายวาจาอะไรนะกายวจาจิตกายวาจาแล้วกายวจาจิตนะครับมันเดอันนี้อกายมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกาเกี่ยวกับมาใช้สอยใช่ไหมครับมาใช้สอย ไอวาจาเกี่ยวกับการถอวาจาเกี่ยวกับอะไรการถอนการอะไรไม่ได้บอกให้เขาชถอนให้วาจาไมนได้บอกให้เขาชถอนให้นะครับเครับถอนเองไม่ได้เขาไมนได้อเองไม่ได้ผมถอนเองนะผมอยากจะใช้นั่นนี่ท่านไม่เห็นมาถอนเองเลยนีงไม่ได้นะครับไ วิกลังไชยท่านรูปนั้นแหะช่วยถอนให้นะครับกายวาจาเอาเป็นยังไงเขาไม่มีจิตเป็นยังไงการวาจารเสียก็ต้องอบายได้นะเป็นยังไงต้องอธิบายได้เคยได้บอกว่าสมุขฐานอย่างนี้น่ะการวาจาร์แกายวาจาร์จิตเ้าก็ต้องอธิบายคุณธรรมมาด้วยเกี่ยข้องคุณธรรมบุญนี้ยังไงเป็นยังไงบอกไม่มีจิตนอ่ยเขาต้องมาเป็นยังไงเอว ดีมากเลยนะมีที่จะขอไมันมีจิตที่จะให้คนที่เราไปริษัทโดยสอนผ่าไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่มีจิตมันมีแบบที่มีจิตก็มีเยอะอะทงนี้กายบาจานจิตนะมีจิตก็มีอันนี้กายบาจานไม่มีจิตนะครับมันเป็นอย่างไง <c oughs> นี่มีสุไม่ก็ได้ตอบอะไรมั้งน่ <c oughs> ทนเดนไม่มามันจะเดินยิ้มไม่มาตี่เต้นตื่เตยช่วยไม่ทำหรือเปล่าไอ้ครับอ๋อไม่ไม่ใช่ครับ <c oughs> ไอ้ทาไม่ทามันจิ่หรอการละการทานลาผาไปแล้วนี่มัพูดถึงจิตเนี่ย <c oughs> มีจิตเป็นยังไงไม่มีจิตเป็นยังไหนใทีนี้นะ อือต mm. mm. ัวจิตขาบนะยังต uh uh ัวจิดขาบนี่บอกว่ามีจิตก็ต้องให้มีจิตก็ต้องเป็นไงครับทีหลังจะได้จำอะไรเนี่ยอ๋อไอ้มีจิตไอ้นี่ยนะจําแบบให้แบบหายลืมเลยทั้งหมดเมันจะหายลืมได้หรือเปล่ามันไม่จะหายจํานะจําแล้วก็ลืมอันนี้แค่จะหายลืมอะไรนะครับนะ เรเจอแต่ว่าข้อเนี้ยเป็น อ, จนอ่จิตากาศัี่ไม่ชอบจิตไม่มีจิตต้องต้องนั่นมครับนั่นจิตก็ต้องเล่นี่จิตก็ต้องบเล่เนี่ยพูดถึงนี่ก็ต้องถือว่าไม่ผ่านถ้าอยากที่บานสืน่อสารเงียบน่อยังไม่ผ่านนะ <c oughs> เดียกพี่นไม่ผ่านใช <c oughs> ้นนีะ่ <c oughs> ว่าสุขาบุค้อนี้นะที่ต้องบัตเพราะว่าเราภาคตะวิกละไม่ได้รูปหนึ่งแล้ใช่ไหมครับเ <c oughs> ขายังไม่ได้ขอให้เลยหรือว่ายังไม่ถึงวิสาสารเขาเลยก็มาใช้ถอยแล้วมันยังต้องอบัตรไปจในสิุขาบขุคนี้ถ้าว่าเป็นอาจิตตะกะด้วยนะมีจิตก็ต้องไม่มีจิตก็ต้องไงนะแปลอาจิตตะกะยังไงนะครับนี่นะก็ <c oughs> ยอมนี่ยังครับยอมเลย จะยอมเลยเงียบมืนไม่ขึ้นมาใช่ไหมครับเงียบสนิทเลยสู้พี่โบราณใครชาึิเงียบแล้วครับอย่างนี้นะครั บ, บ, นนรบไอคขาว่ามีไม่มีจิตนะ <c oughs> คือเราไม่รู้นะครับว่าเขายังไม่ได้ถอนให้นะครับแล้วเข้าใจผือว่าเขาถอนให้แล้วครับถ้าดีเขายังไม่ได้ถอนให้นะเราเข้าใจผิดว่าเขาถอนให้แล้วนะครับแล้ ว, วเราก็ไปใช้สอนไม่ต้องไปอยู่ดีอยู่ดีใช่ไหม ก็แล้วไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะที่จะไปร่วงเหมือนนะแล้วเข้าใจว่าเ้าขอให้แล้วอันนี้ถือว่าไม่มีจิตไม่มีเทวนาที่จะไปจงใจร่วงนั้นใช่ไหมแต่ถ้ามีจิตก็รู้ท่องรู้ท่อว่ายังไม่ได้ถอน่ะแต่จะมาใช้นะเอ่าคับอันนี้นะก็ถือว่ามีจิตนะครับไม่มีจิตคือเข้าใจคิดว่าเ้าถอนให้แล้วนะแล้วก็มาใช้ถ้ามีจิตก็รู้ท่องรู้ว่าเขาไม่ได้ถอนให้แล้วก็มาใช้ค็นอย่างนี้ครับ ถูกหรือหวานี yani ่ถูกถูกนะถูกนพราวานนี <S <S ้ก็เลยเป็นศีกัดไงจีวอยังไม่ได้ถอนะครับรู้ท้งรู้ไปใช้เสาก็ต้องไปอีกตีสงสัยไปใช้เสาั้องไปอีกตีสำคัญก็ถอนอะไรไปใช้สต้องไปอีกตีนนี่เป็นศีกัดนะเนี่ยเพก็เลยเป็นต่การนะครับจำอทไรน้ครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้ว ที่สุตเอาบริฐานของที่สุตรูปอื่นไปเก็บนะครับแบบไหนทําไม่ต้องอาบัตแบบไหนไม่ทําไม่ต้องอาบัตครับไปเก็บแบบไหนที่ต้องอาบัตไปเก็บแบบไหนไม่ต้องอาบัตเก็บแบบซ้อนที่ต้องอาบัตไปเก็บแบบซ่อนต้องอาบัตแต่เพื่อจะรอเล่นก็ต้ คุณจะไปแกล้งเดียดเบียนเขาเนว่าเราเล่นสนุกใช่ไหมครับมีตามลับากขอเขาคือเกดดีๆเลยเออไม่ต้องต้องอะไรอีกไเกดให้เขาโดยความคิดว่าเราจะเก็ใหเขานีช่วยเกบไม่เขาเกดไบครับไม่ต้องมันต้องลบกครับูต้องรและวปิธาอะไรบ้างที่พิสูจน์เอาไปซ่อมแล้วทําไม่ต้องบากปราจิตีมีอะไรบ้างครับ เอาไปตอนีหมบริกานแปดเอาไอ้อาบริการแปดเลยมีใครทำอเป็นอย่างอื่นไ้มครับบริการอะไรบ้างบริกานแปดเนี่ยเยอะไปไหนแปด้ผมาจะเยอะไปครับอ่สะบองจีวอนอาจีวอนก็รวมหมดเลยใช่ไหมตายจีวอนหมดเลยบ่าอะไรเข็กองเข็มกองเขงครับ อะไรอีกกองนั้นถ้ากองนั้นไม่มีครับอครเนี่อาจารย์ก็ใบจีวรบาทกลองแขมร่วงมีเขมด้วยนะอไรอีกอะไรครับแต่ถ้า้ากองนั้นข้ามันได้ขนาดว่าสมคบในจีวรนครับมาก่อ เ, เองครับข้องเงียบยังมีอันอยอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นครับไม่อยู่ในไม่อยู่ในบริหานแปลกนนะครับ มันมีขาไม่แปมันก็มี็นไตจีวรแน่นอนบาดใช่ไหมครับปอะคดเอลก่องเข็มอันนี้นอกไยจีวรนอกไตจีวรใชไหมครับล่องลองก็ไม่มีครับรังสากังสากก็มีในผ้าหนาอย่างไตจีวอนั่นแต่แม้แต่เท้าก็มีอยู่ในจีวรใช่ใช่จีวรของเลยลองเท้ไม่มีครับไม่ใช่ มันไม่กี่ยวับบริคาของผ้ามันจะเอ็กายอ็กีได้แน่นอนนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ชอบไม่ใช่ครับถล่อปอดถลหมปากก็ไม่ใช่ยในพวกผ้าที่วรอ๋ออ๋อถ้าจีวก็จะเปนอะรบ้างถ้ารอยู่ใน วันถะหนุนหมายนี้ไม่เข้าไม่เข้อะไรยากนี้ก็ไม่ใช่ในเรานศูนย์ศิขาบอกนั้นว่าองไงโยปนาทีขูอะไรนะครับเรือองม้อเ่าโยปทีขูปทิคุสตาปัตตังวาชีวารังวานิสิทนางวาสุจิขังวาการยัพัฒนันวาอภรณิเทยวาปณิธานปยิวา อันจำลองศสารติโคปิปันตีอ่ะไอท็อปนี่สิีธนะนะครับูต้องครับปัดตังวาบาตใช่ไหมจีวรางวานจีวอนี่สีธนะนะครับสุยฆังวากล่งองเข็มกายปันชนะวาประคตเอว น, นะครับห้าอย่างเนี่ยที่ไปซ่อนต้องบมปัน ต, ตีส่วนที่เหลือเป็นฉลองบานเป็นอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็แล้วแต่ลอ ง, งลท้าลงพวกนี้นะครับไปซ่องต้องบัดกบนะครับอันบัดบอ ต้องส้องของข้าด้วยนะที่นีพาดีแล้วฟ้องของเนของโยมก็ต้องมาทุกคนะครับก็จบนะครับหมดหนะุท่าพักขึ้นก่อนนะครับ <c oughs>